อย่างสูงรู้สึกตัวเองจะเป็นแันเสียงตกร่องพอสมควรนะพูดเรื่องในหลวงปีที่แล้วทั้งปีเลยไปพูดที่อเมริกาสาอาทิตย์ไปเจอท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่นโนนกลับมาเมืองไทยก็มาเทศที่เมืองไทยก็เจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อยอหลายงานฉะนั้นวันนี้ก็มาที่นี่ ก็เรียกว่าตั้งต้นพูดเรื่องในหลวงปีพุทธศักราช2550พูดเรื่องเก่าแต่ว่าพระสอใหม่นะเพราะฉะนั้นก็เป็นแผ่นเสียงใหม่หลายท่านที่เคยดูโทรทัศน์หลายๆเรื่องก็อาจจะคุ้นนะแต่ตมาจะคุ้นยิ่งกว่าเพราะตมาได้ฟังลหลายเรื่องจากผู้ที่ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทโดยตรง ฉะนั้นวันนี้ก็จะนํามาเล่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกๆ ท, ท่านที่รู้อยู่แล้วหรือบางทีก็รู้ดีกว่าตามาเดี๋ยวถ้าตามาพูดไม่เข้าท่าก็ช่วยมากระซิฟได้นะว่าเรื่องนี้โยมเคยฟังมาอย่างนั้นไม่เหมือนที่ท่านพูดสักนิดนึงก็ได้นะตามายินดีรับฟังถ้าใครมากันซิฟอย่างนี้แจกหนังสือ <c oughs> เนี่ยวันนี้จะแจกนะเนี่ยดูสิฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึง นี่ไม่ได้โศษณาขายนะวพรานี่เป็นฉบับธรรมทานเพราะฉะนั้นช่วงช่วงที่สองเนี่ยภาพอยากจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แรกเปลี่ยนเรียนรู้กับอตาตมาเอ๊ฟังเสร็จแล้วเน่อยากจะซักถามปุจชาวิสัชนาเชิญได้เลยนะทุกคำถามมีของดีแจกหมเดเลยนะเนีน่ยนอกจากหนังสือแล้วนี่มีออื่นนีก ม, ม, มีอะไรอีกบ้างล่ะหาตามท้องตลาดไม่ได้หรอกสงวนลิขกิิแต่ไม่ผิดกฎหมายนี่เป็นภาพพระราชทาน ของนหลวงเป็นภาพอาบมันอย่างดีนะไม่เปียกน้ําน้ําน้ําตกใส่ในี้ไม่เปียกแต่คุณดมอยเอาไปใส่ไฟเนะี่ไม่เหลือนี่ก็จะแจกนะสําหรับท่านที่ถามนอกจากนั้นธรรมาก็มีหนังสือธรรมะเยอะแยะเลยเนะี้ยเป็นตั้งๆนะธรรมะหลักสบายธรรมะทำใหม่เยอะแยะเลยสําหรับทุกคำถาม แล้วก็ใครที่เป็นแฟนรายการเมืองไทยวารรตี้มีเทปเหตุที่ดินยังคงหลงรักฟ้าคือเรื่องราวที่ธารมภาพไปพูดถึงในหลวงในวันที่9มิถุนาเมืม่อปีที่แล้วพร้อมกับบรรยากาศในวันงานด้วยนะคุณยอมก็สามารถมารับไปรับคนเดียวก็ได้ที่เหลือเราก็ปี้เอา <c oughs> นะตรรมาจึงรู้ธารมารู้ไม่ได้เตรียมมาเยอะหรอกเพราะรู้ว่าจะก o p เดี๋ยวนี้สบายนะ ญาติโยมหลายคนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนวิธีถวายสังฆทานอาตมานะไปถึงไม่มีถังเหลืองแล้วตอนเนี้ยมีแต่กล่องซีดีเพราะรู้แล้วว่าเอาไปไว้ก๊อบปี้ซีดีไว้แจกกันนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะถวายสังฆทานให้อินเทรนนั่นคุณโยมนะซีดีเปล่าถวายได้เป็นประโยชน์มากถวายเสร็จแล้วอาตมาไปก๊อบปี้ซีดีท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเอาไปก๊อบปี้ซีดีนะเผยให้ออกไปทั่วโลกคุณโยมนอนอยู่ที่บ้านนะ บุญไหลเข้ายมเฉยๆเลยเสื้อนอนกินอยู่เฉยๆมีบุญบางทีเราจะรู้สึกอิ่ม อ, อกอิ่มใจเพราะอะไรซีดีธรรมะที่เราเป็นเจ้าภาพไปเปิดอยู่ที่อเมริกา <c oughs> เห็นไหเราก็ฝากบัญชีบุญไว้แล้วสบายๆเนี่ยเป็นวิธีสั่งสมบุญรุ่นใหม่เราเรียกว่าเป็นบุญออนไลน์นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นใครสนใจจะถวายสังฆทานด้วยการถวายซีดีอัตามาก็อนุโมทนาล่วงหน้านะ ทีนี้ประเด็นที่จะพูดเนี่ยธรรมะของข้อคงไม่พ้นทศพิษราชธรรมแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องนี้แตามายอยากจะเล่ารเรื่องจริงเรื่องหนึ่งให้ฟังในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งรวยมากรวยยิ่งกว่าบิลเกสวอร์เรนบัฟเฟต์เนี่ยสู้ไม่ได้หรอกพวกนี้รวยโลกิยทรัพย์แต่โลกุตระทรัพย์ไม่แน่ว่าจะมีมหาเศรษฐีคนนี้ เคยเริ่มรวยถึงขนาดว่าเอาเงินมากองสูงทั่วหัวเขาสร้างวัดเชตวาวันถวายพระพุทธเจ้าเพราะเกิดการท้าทายกันขึ้นมาว่าคุณรวยจริงหรือเปล่าคุณมีหรือเปล่าเจ็ดหมืนกว่าล้านะถ้ามีมากองเลยแกเอาไปกองสุดท้ายได้สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าจ ร, งจ ร, งจรงิงๆเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดถึงเศรษฐีคนนี้เขาจะบอกว่าอน า, าถาปินที่ก่อเศรษฐีผู้สร้างวัดเชตาวันเห็นไหม ชื่อดังมาไปวัดวันละสามครั้งแล้วไม่เคยมีมือเปล่าเลยนะมีของติดมัติดมือไปถวายพระล้วสงองค์เดนตลอดแต่ไม่ค่อยได้ธรรมะวันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เรียกเศรษฐีไปท่านเศรษฐีท่านมาวัดทุกวันวันละสามเวลาแต่ทําไมท่านไม่ถามปัญหาตมาเลยนี่พระพุทธเจ้าถามนะ เศรษฐีบอกว่ากระม่มเคารพในพระพุทธองค์มากไม่อยากจะถามอะไรเลยเกรงว่าพระองค์เนี่ยจะลําบาก <c oughs> พุทธเจ้าเนี่ยถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คงจะทรงชักฉุนนะแต่พุทธเจ้าไม่ฉุนนะไม่มีละโกธานี่ยไม่มีพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านี่เศรษฐีฉันนี่ไม่ได้บําเพ็ญบารมีมาเสียสงขายกําไรแสนกับ เพียงเพื่อจะมานั่งรับสังฆทานนะฉันอยากทำประโยชน์มากกว่านั้นไม่ใช่เอาดอกไม้ทูปเทียนดอกบัวมาถวายแล้วฉันก็แฮปปี้ไม่ใช่พุทธเจ้าต้องมีประโยชน์มากกว่านั้นอยากรู้อะไรถามสิเธอรักฉันหรือเปล่าท่านเสด็ทีบอกโอ้โหไอ้นี้ m e b o d y เ o ิ e รักมากรักสุดใจขาดดิ้นพุทธเจ้าบอกว่าใครก็ตามที่บอกว่ารักฉัน ต้องรักอย่างถูกวิธีไม่ใช่รักแล้วมาเฝ้าแหนอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ได้ประโยชน์พระองค์ตรัสว่าไม่ทําตามที่สอนอย่ามาอ้อนเรื่องอาจารย์นี่คือคําของพรุทธเจ้าตั้งแต่นั้นท่านเศรษฐีเวลาเข้าวัดมีอะไรเอาไปถามพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดา์บันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฉันได้ <c oughs> เราคนไทยรักในหลวงเราบอกว่าเรารักในหลวงมาก แต่แค่ใส่เสื้อเหลืองไม่พอเพราะถ้าใส่เสื้อเหลืองโยมสู้ตอมาไม่ได้ตะมานี่เหลืองทั้งปีทั้งชาติดูนี่เข้มขนเหลืองตลอดเลยเนี่ยเราต้องมีมากกว่านั้นนะพ ร, ร, ระองค์ท่านเสวยราชยปมาหกสิบปีไม่ใช่เพื่อที่จะมาให้ใครมาขายเสื้อเหลืองถูกต้องนะใส่เสื้อเหลืองเป็นการแสดงความรักเชิงสัญลักษณ์ก็ไม่ผิดแต่ว่าเราต้องรักพระองค์ท่านให้ลึกซึ้งมากกว่านั้น ทำยังไงเราจะมองในหลวงแล้วจะเห็นฟังพระองค์ท่านแล้วจะได้ยินชื่นชมแล้วจะทำตามก็เหมือนเศรษฐีคนนั้นที่ไปชื่นชมพระพุทธเจ้าแล้วไม่ถามพระพุทธเจ้าต้องเรียกไปดุพวกเราต้องระวังโอ้โหเรารักในหลวงรักอย่างนั้นราอย่างนี้ระวังในหลวงเรียกไปเตือนนะรักยังไงในคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องรักแล้วก็ได้ประโยชน์จากพระองค์ท่าน เหมือนอนาถาปินที่กาเสษถีทำยังไงเราจะได้ประโยชน์ก็ต้องศึกษาธรรมะจากพระองค์ท่านธรรมะของพ่อมีอะไรบ้างจริงๆนี่มีเยอะมากนะอานธรยมาพาพูดเย็นวันเสาร์เช้าวันจันทร์ก็ไม่จบนะแต่ว่าวันนี้จะพูดแค่สิบประเด็นเท่านั้นเองเราเรียกว่าทศพิธราชธรรมทศพิธราชธรรมแปลว่ารมสำหรับพระมหากษัตริย์ สิบประการมีอะไรบ้างหลายหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยนะให้ไล่พร้อมกันนีตอบได้นะทานังเสียังประิรจะขังแต่ให้ว่าเดี่ยวเงียบจำไม่ได้อือทศพิราจะทำมีสิบประการอัตรมภาตจะขยายความทีละข้อก็แล้วกันนะหนึ่งนิทานังหรือทานะคือทานองค์ท่านทรงเป็นผู้ที่ให้ทาน จึงได้พบปาฏิหาริย์แห่งการให้ครั้งหนึ่งทรงมีพระราชกระสรับสั่งว่าสังคมไทยของเรานะที่ยังอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะเรายังให้กันอยู่หลายท่านสังเกตไหมตอนเกิดสึนามิกับอเมริกาเกิดพายุแคทเธอรีนา่าของเขานี่เจ้าหน้าที่รัฐอนุญาตให้ยิงเลยเลยถ้าขโมยขโจรวนะ่าพูดไม่รู้ฟังฆ่าเลย ของไทยในยไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเพราะคนแห่ลงกันไปกู้วิกฤตไปไปมามาคนที่ลงไปช่วยในยมีมากกว่าคนที่ไปตายในซูนามินะเห็นั้มนี่คือน้ำใจไทยสังคมไทยจึงเป็นสังคมแห่งการให้อาตมาภาพประกาศว่าจะเอาผ้าห่มไปแจกที่เชียงรายต้องการสามร้อยผืนวันที่หนึ่งเมารายนได้มาหนึ่งพันเจ็ดร้อยผืน โอ้โหดูสินี่น้ำใจไทยท้งชาติในหลวงจึงตรัสว่าสังคมไทยอยู่มาได้เพราะเรายัางให้กันอยู่แล้วพระองค์ท่านนี้ทรงเป็นแม่บทต้นแบบของการให้ให้ทั้งชีวิตถ้าเรามองดูพระองค์ท่านเราก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านให้เราตลอดเวลาแต่ใครจะอ่านราชยนานัยนั้นออกเวลาเราดูข่าวในพระราชสำนักถ้าดูเผลอๆก็วันนี้ก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านเสด็จออก ไปทำพระาพราชภารกิจตรงนั้นพระาพราชภารกิจตรงนี้ให้คนนั้นเขา้าเฝ้าให้คนนี้เขา้าเฝ้านี่เรียกว่าดูแต่ไม่เห็นดูแต่ไม่เห็นถ้าเราดูให้ลึกเราจะเห็นมากกว่านั้นจะเห็นว่าพระองค์ท่านนั้นให้สารพัดให้แต่ถ้าแยกก็เป็นสองประเภทนะคือให้วัตถุกับให้ธรรมะให้วัตถุนี้ในหลวงของเราทรงให้มาทั้งชีวิต นับกันคงไม่หวัดไม่ไหวนะทรงให้วัตถุในเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่ประเสริฐที่สุดในโลกประชาชนคนละเมืองเขียนจดหมายไปขอยืมเงินในหลวงก็ได้คุณโยมลองดูนะถ้ามีเหตุผลพอก็ได้นะมีคุณยายคนหนึ่งเขียนจดหมายไปขอยืมเงินพระองค์ท่านสามหมื่นบาทมาตั้งต้นทําทุนนะพระองค์ท่านเรียกเข้าเฝ้าแล้วมอบให้คุณยายข้างบ้านเกิดเห็นขึ้นมา ทำอย่างไรถึงจะได้เห่างนั้นบ้างถวายดีกาเข้าไปนอกจากจะไม่ปวดพระราชทานและทรงเรียกไปตําหนิพราะคุณยายคนนี้จะไปเปียแชฉเห็นไหมไม่ใช่ว่าพระองค์นั่นให้และอยากจะให้ก็ให้นะม น, นุษย์นี่ชอบอะไรที่ง่ายๆนะเห็นอะไรท่านให้ง่ายๆนี่ไปเลยสังเกตไหมเวลามีของแจกนะเท่าไหร่เท่ากันรับหมดแต่อ่านไหมเอาไว้ก่อน ขอรับก่อนนี่คนไทยคนไทยชอบรับในหลวงก็ชอบให้พระองค์ก็จะให้ของเยอะแยะมากมายแม้มแต่เงินซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆพระองค์ก็ให้นี่เราเรียกว่าให้ในเชิงวัตถุบางครั้งพรองค์ก็ให้สิ่งสาราสัตว์ด้วยอย่างครั้งหนึ่งได้พระราชท า, านพระสุกรชาวบ้านที่สกลนครได้เขียนจดหมายขึ้นมากราบบังคมทูลขอพระสุกรพ่อพันธ์รองค์ก็พระพพราชทานลงไปหลายปีดีดักเสด็จพระราชดำเนินอยากจะแวะดูครอบพระสุกร พระองก็แวะไปดูก็ไปเห็นว่าเอ๊ะสุกรสองของ้อนต่างกันลิบลับหลยนะค้อหนึ่งนี่เป็นพระสุกรไฮโซมากผิวนี่ผ่องสีชมพูเลยนะประเป้งด้วยนะแต่อีกค้อหนึ่งดูดูจะเป็นอีกระดับหนึ่งเป็นพลเมืองชั้นสองของสุกรพระนั้นก็มีรับสั่งถามว่าเอ๊ะทาไมมันดูต่างกันจังเลยเจ้าของข้อกก็บอกว่าอ๋อคอกเนี้ยที่สะอาดสะอานเนี่ย เป็นพระสุกรเพราะฉะนั้นจะต้องได้รับการดูแลรักษาระดับเอเปกะนอนเศ้าในโคก <c oughs> ดูแลอย่างดีส่วนอีกคองหนึ่งเนี่ยเป็นลูกพันที่พร้อมจะขายแล้วเอาไปทำผลประโยชน์ได้แล้วพุะท่า น, นก็ได้แต่ทรงแยมพระสวนเออดีนะเอาของเรามาแล้วก็ได้ประโยชน์สดทีผลอย่างนี้ก็น่าให้เพิ่มขึ้นที่เรียกว่าให้วัตถุให้เงินให้ทองให้เข้าให้ของ หรือแม้แต่ปราเนินที่เราชอบชอบกันอยู่เนี่ยทุกคนในที่นี้คงจะเคยเคยรับประทานปราเนินดามาก็เคยทานปราเนินไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าปราเนินนี้มาจากไหนปราเนินนี้มาจากสองพังหนึ่ ง, งมาจากเปร น, นังสองมาจากญี่ปุ่นม ก, กุฎราชกุมารก็คือพระากกราชกพด์องปัจจุบันเนี่ยได้โปรดพระราชทานปราเนินมาถวายในหลวงเมื่อแรกสวยราชพระองค์ปราเนินมาแล้วเนี่ยดูเหมือนจะมีปราเนินอยู่ห้าร้อยตัว แต่ปราเนนก็เหมือนอาตมานี้บางทีไม่เคยขึ้นเครื่องพระอื่นพระองมเมาเครื่องมาถึงเมืองไทยจากห้าร้อยตัวเหลือไม่กี่สิบตัวสะรู้รในพระราชวังในพระองค์เอาเพาะพันปลาเนนให้ปราเนนเหล่านี้ไปแหวกไปไหว้พอเสร็จแล้วได้จำแนกแจกจ่ายไปจำแนกแจกจ่ายไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเราก็เลยได้ทานปราเนนกันทั่วประเทศพ่อ ยอมที่จะอดคนเดียวเพื่อให้ลูกอิ่มทั้งประเทศเห็นไหมถ้าพระองค์ทรงเห็นแก่ตัวปราินเหล่านั้นก็หนึ่งมื้อเท่านั้นแล้วคนไทยก็ไม่ได้อิ่มทั้งประเทศอย่างทุกวันนี้นะแต่พ่อยอมที่จะไม่เสวยปราินเพื่ออะไรเพื่อที่จะเพาะแล้วกระจายไปให้โลกไทยหลานไทยได้อิ่มกันทั้งประเทศไปถามคนเฒ่าคนแก่ในประเทศไทยตามชนนั้นหมดว่าพ่ออุ้ยปลาเนรนี่มาจากคนไหน พระอุ้ยบอกอุ้ยพระอุ้ยเกิดมันก็มีแล้วไม่รู้อะไรว่าปลาเนนเขาอิมพอร์ตเข้ามาเห็นไหมเราไม่รู้หรอกว่าใครที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำพระองค์ท่านส่งให้เงียบๆให้ยังปิดทองหลังพระให้ยังมีความสุขจึงวันหนึ่งมีคนสงสายว่าเอ๊ะทําไมพระองค์ท่านไม่โปลดส่วยปลาเนนเมื่อต้นเครื่องทำพระกะยาหารส่งขึ้นโต๊ะสะวยพระองค์ท่านก็จะปลดให้ย้าย ปลนให้ย้ายไปวางด้านอื่นไปไม่สวยสุดท้ายก็มีคนใจกล้าลองปราบบังคมทูลถามว่าทําไมไม่ปรดเสวยปลาณ่นทรงเมรับสั่งว่าเลี้ยงมันมาเหมือนลูกเพราะฉะนั้นกินไม่ลงเห็นไหมนี่คือพระมหาการุณาที่คุณในพระองค์ท่านบางทีเราเนี่กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องไม่รู้หรอกว่าใครอยู่เบื้องหลังตรงนั้นทรงให้วัตถุอย่างนี้ นอกจากทรงให้วัตถุแล้วเนี่ยบางทีให้โอกาสคนได้เข้าเฝ้าคนที่เข้าเฝ้าพระองค์ท่านเนึ่ยก็อยากเอาของดีไปถวายครั้งหนึ่งมีชาวใต้ไม่มีเชิงชาวใต้ในที่หัวหินอยากจะถวายของพระองค์ท่านเขาเลี้ยงงูไว้งูเหลือมคุณชมตัวใหญ่ขนาดว่าใช้ในายตำรวจเจ็ดถึงแปดคนหามเห็นคนอื่นถวายของในหลวง เกดก็อยากถวายมอ่งทำเรื่องถวายดีกาเข้าไปนายตำรวจคนหนึ่งก็ไปตรวจสอบลุงงูนี่จะถวายอยู่ไหนลุงยังไม่ได้ใส่เสื้อเลยลงมาจากบ้านก็อยู่ตรงนั้นน่ะตรงที่คุณพิงอยู่อะแก <c oughs> เ, เอาใส่กระสอบแล้วนายตำรวจไปยืนพิงงูอยู <c> ่ <oughs> รุ่งขึ้นเมื่อพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาถึงโปรดให้เฝ้าเขาก็เอา ง, งูนั้นไปถวาย พระองค์จะไม่รับก็ได้นะการให้คุณโยมจะเป็นเรื่องว่าหมาถึงเอาวัตถุให้นะแต่บางครั้งการให้โอกาสเป็นอีกความหมายหนึ่งของการให้พระองค์ทรงให้โอกาสชาวบ้านชาวเมืองได้ถวายงูมองหาประโยชน์ไม่มีเลยงูนี่เอามาทําไหมเนี่ยใช่ไหมพระองค์ท่านก็รับมาแล้วโปรดตั้งชื่อเลยนะว่าคุณอินทรเทพชื่อยิ่งใหญ่มาก ทรงให้เจ้าหน้าที่ที่สวนสัตว์ที่พระราชวังไกลกังวลดูแลอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งจากนั้นมีรับสั่งให้เอาไปปล่อยซะเหตุผลก็เพราะว่าคุณคุณเธอกินไก่เปลือกเหลือเกินคุณอินทรเทพก็ต้องเอาไปปล่อยในป่านี่ทรงให้โอกาสาพระสงฆ์นกองของพระองค์ได้ถวายของก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้นอกจากจะให้อามิตรสถานแล้วก็ทรงให้ธรรมทานก็คือพระราชทานพระบรมราโชวาท พระบรมราชาคณะเราได้ยินได้ฟังกันจนเรียกว่าเช่นรู้รักสา ม, มัคคีอย่างนี้เข้าใกล้เข้าถึงพัฒนาอย่างนี้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้รู้จักพออย่างนี้ติดดินอย่างนี้ซื่อสัตย์สุจริตอย่างนี้หรือแม้แต่คําว่าสมณญชั น, นคําเพราะๆ เ, เหล่านี้เนี่ย มาจากพระราชดําริในพระองค์ท่านทั้งนั้นแหละนี่คือพระบรมราโชวาส น, นอกจากพระบรมราโชวาสบางครั้งก็ส่งให้อะไรให้แบบอย่างแบบอย่างนี้เราไม่ค่อยได้คิดนะอืมแต่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ตลอดเช่นมีอยู่วันหนึ่งที่ใกล้กลๆวัดอาตมาเนี่ย ม, มีร้านตัดรองเท้าในช่างเจ้าของร้านก่เปรมศิลทั้งชีวิตทํางานยเยอะแยะมากมาย เป็นสิบอาชีพแต่อาชีพไหนก็ไม่เวิร์กเท่าตัดรองเท้าเพื่อนก็ดูถูกว่าหากินกับของต่ำเพื่อนไม่อยากคบหากินกับของต่ำหากินกับเท้าคนอยู่มาวันหนึ่งก็มีนายทหารคนหนึ่งเข้าไปที่นั่นพร้อมกับถุงผ้าพอไปถึงแทนที่จะยื่นรองเท้าให้นายทหารคนนั้นกับยกของบางสิ่งบางอย่างในถุงผ้าชูขึ้นเหนือหัว เจ้าของร้านตัดรองเท้าก็งงว่าตกลงคุณออะไรมาตัดเนี่ยถามว่าอะไรอยู่ในถุงเขาบอกว่าฉลองพระบาทในพระองค์ท่านนายช่างก้มลงกราบเลยทีนี้เขาไปซื้อแปรงมาแปรงทาษีเนี่ยเอามาปัดฝุ่นละอองธุลีพระบาทคุณยมเคยได้ยินใช่ไหมนั่นแหละฝุ่นละอองธุลีพระบาทนายช่างคนนี้ปัดฝุ่นละอองธุลีพระบาทเก็บไว้บน ผ้ากำมะหยีทูลเกศทูลเก้า ว, วางไว้ที่หิ้งบูชาที่ร้านตัดรองเทา้าของแก่จะให้สัมภาษณ์ว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตผมไม่ต้องการเกียรติยศอะไรกันละได้ตัดรองเท้าถวายในหลวงในี่พอแล้วเห็นไหมวันรุ่งขึ้นพอไทรัฐลงข่าวเท่านั้นเองคุณหญิงคุณในายไฮโซทั้งหลายร <c oughs> องเท้าไม่พังก็เอาทาให้พัง <c oughs> <c oughs> ส่งไปลองตัดดม ดูทีว่าในหลวงยังทรงใช้บริการจะขนาดไหนในเพวกที่ดูถูกว่าแกหา ก, กินกับของต่ำตอนนี้แอบทำล้านตักรองเท้ากันเมื่อเห็นไหมพระองค์ท่านเนี่ยเป็นพระหมหากรรษัตริย์ต้องพระประสงค์สิ่งใดในปฐพีแสดงพระราชประสงค์ออกมาก็มีคนพร้อมที่จะทุนกล้าวถวายใช่ไหมแต่ไม่ทำ โปรดใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายแม้แต่รองเท้าฉลองจนสึกจนพังแล้วก็ส่งไปตัดในเมืองไทยนักกันเมืองหลายคนส่งไปซ่อมที่อิตาลีต้องดึงกลับการหาวเลยเห็นไหมกลัวอายพระองค์ท่านทำไมพระองค์ท่านจึงใช้ชีวิตนุ่งเจียมห่มเจียมเหลือเกินทรงต้องการให้แบบอย่างแก่คนไทยว่าเราต้องประหยัดนะเราต้องมัธยัตพ่อทาให้ดูเนี่ยลูกเห็นไห นี่คือพ่อทำให้ดูเรื่องของความประหยัดมัธยัติการให้อย่างนี้เราไม่ค่อยมองเราจะมองแต่การให้วัตถุใช่ไหมให้พระบรมราชาวาทแต่การให้แบบอย่างแห่งวิถีชีวิตอันดีงามบางทีเราไม่ค่อยได้มองเหล่านี้แหละเราเรียกกันว่าทานังคือทรงเป็นพระผู้ให้ประเด็นที่สองสีลังสีลังนี้ก็คือศีล น, นั่นเองศีล หมายถึงภาวะที่เป็นปกติพระ บ, บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นตั้งแต่แรกสเสวยราจนถึงทุกวันนี้ถ้าเราทอดตามองดูพระองค์ท่านตลอดพระชนมนชีว์จนถึงณบัด น, นี้พรองค์ท่านไม่ปรากฏว่าทรงมีพิรุธด้านใดให้คนไทยคุนคล่องหมองใจมีแต่เรื่องที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นบางทีเราไปยืนทักเสด็จในหลวงยังไม่ทันทําอะไรเลยนะ แค่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านน้ำตาซึมลูกศิษอาตมาอยู่ที่เชิงร้ายนวันที่ก้าดูถ่ายทอดโทรทัศน์นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวซึมกับเขาหมดเห็นไหมทำไมเราจรึงรู้สึกปีติเหลือเกินอ่ะทางการท่านก็เรียกว่าสารเอ็นโดรฟินหลังยังไม่ทันได้เฝ้าพระองค์ท่านแค่ยืนมองพระองค์ท่านเกิดปีติท่วมท้นตั้งแต่หัวเจร ด, ดปลายเท้า เดชานูภาพเกิดขึ้นเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีสินอัตมภาพตอนรับพระราชทานพระยศประยันธรรมเก้าประโยค น, น, นะก็คิดว่าเมื่อได้เฝ้าก็อยากจะมองดูพระพักในหลวงสักครั้งหนึ่งให้เป็นเกียรติยศแก่ชีวิตพอถึงคิวจริงๆอะไรไม่รู้เรื่องเลยมันไม่หมดเเดชานูภาพพระองค์นั่นข่มเรานะ พอไปถึงปุ๊บเจา้านันที่จัดคิวให้เดินเข้าไปไปรับพระราชทานพัดเสร็จแล้วรับพระราชทานพระไตรไม่ทานได้มองพระองค์ท่านเลยกลับออกมามาอยู่ประตูบทอีกด้านหนึ่งแล้วฉันมาอยู่นี่ได้ไงเห็นไหมเนี่ยเดชานุพิเกิดจากศีลของพระองค์ท่านศีละเตยชนะด้วยเดชที่ทรงมีศีลไม่ใช่ธรรมดาพระยังครองสติไม่อยู่ดู ในตำรวจท่านหนึ่งอ่ะไปถวายงานใหม่ๆผู้ผู้นำหรือผู้บริหารพาเฝ้าเรียกว่าพิธีเฝ้าเฝ้าถวายตัวหรือเฝ้าเบิกตัวนะพูดผิดก็ขออภยัยเตรียมกันมาเป็นอย่างดีเรามีแบบแผนให้ท่องเสร็จพอไปถึงก็ขอเดชะได้ฝ่าลองธุลีพระบาทปกเ ก, ากามม้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจตรีภูมิพลพ <c oughs> รงท่านก็บอกเออยังมีคนชื่อเหมือนกัน ยังแกยังไม่รู้สึกตัวนุ่นเสร็จแล้วเป็นนั่งข้างเอกนุ่นเจ้านายเดินออกไปถามเมื่อกี้กราบบุญคมทูลอะไรออกไปไม่รู้สึกตัวเลยเห็นไหมนี่ยศีลและเตเชนะคือเดชานุภาพที่พระองค์ทรงมีศีลเราสัมผัสได้ไหมกระทั่งไปอยู่ใกล้ใกล้ศีลของพระรัตน์ข่มเราศีลของพระองค์ท่านนี่จะปกเกตคุ้มก้าวเราเรื่องอย่างนี้อาตมาไปตระหนักชัดตอนไปเรียนที่ปัสนากรรมฐาน อตจมาไปเรียนวิปัสนากรรมฐานไปเรียนกับครูที่เป็นของจริงครไปรู้ว่าเป็นของจริงได้ไงเพราะมีอยู่คืนหนึ่งท่านในพลที่คุณเทพจะไปถวายพระตาหารนูน อ, อยู่ในป่าโน้นนะลึกมากมนุษย์นี่ก็ชอบนะพระทูต ด, ดงอยู่ที่ไหนชอบพากันไปหลวงพ่อบอกอืม um, พรุ่งนี้ให้ท่านมาหาอนุโมทา น, นาท่านในพลต้องให้ประเรียนกล่าวอนุโมทา น, นาท่านในพลจะได้ปลื้ม วิสัยนักเขียนก็แอบเขียนสคริปต์ไว้เลยท่านห้ามเขียนนะคืนนั้นสี่ทุ่มก่อนเข้านอนอพระอาจารย์เรียกเข้าไปให้กรรมาฐานอาตมาเขียนสคริปต์ไว้สี่ข้อพระอาจารย์พูดในสิ่งที่อาตมาเขียนทั้งสี่ข้อแม้แต่ข้อยอ่อยท่านก็พูดย้ำอีก เท่า น, นั้นไม่พอนะอาตมากลับออกมาเดินเข้าห้องน้ําก่อนจะเข้ากดเจอพระอาจารย์ที่หน้าห้องน้ําพระอาจารย์ถามว่าคุณมหาเมื่อกี้ผมแปลภาษาบาลีถูกไหมโอ้สยองเลยเรารู้เลยว่าเรากําลังไปอยู่กับคนมีศีลคือท่านรู้ว่าระจิตอาตมาเห็นไหมอาตมารู้สึกโอชีวิตฉันไม่สนุกแล้วป่าทั้งป่าเนี่ยมีอะไรมีตัวสแกนไวรัสมีเรดาร์ มีทีวีวงจรปิดนั่งอยู่ในกรดก็กลัวตัวเองจะคิดไม่ดีไม่งามตายล้วเนี่ยคนมีศีลเนี่ยไปอยู่ใกล้คนมีศีลเนี่ยเราต้องมีศีล น, นั่นถ้าเราไม่มีศีลไม่ได้เพื่อนอันตามาเนี่คุณโยมแอบอ่านหนังสือพิมพ์นในกรดงูงตัวขนาดเนี้ยไปนอนอยู่ในกรดน้ำไปได้ไงอ่ะคิดดูสิเนี่ย เพราะฉะนั้นเดชะนิพพาพของศินนี่รอเล่นไม่ได้นะอพอตะมาไปอยู่กับคนมีสินตะมาเลยได้รู้เลยอ๋อบางสิ่งบางอย่างที่เราสัมผัสไม่ได้ที่บายไม่ถูกนะเป็นเรื่องของตะบักเดชะเป็นเรื่องของศินในหลวงของเราทรงรักษาศินห้าสินแปดไม่พร่องนอกจากนั้นทรงรักษาศินของพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าจั ก, กรวรรดิวั ด, ด, วดนายตำรวจท่านหนึ่งเล่า ว, ว่าเมือ่อวันหนึ่งเพื่อเสด็จที่ภาคใต้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งกว่าร้อยคัน ต้องทรงหยุดกว่าสิบนาทีหยุดให้อะไรรู้ไหมหยุดให้งูเหา 2, ่าสองสามีภรรยาเขาเลื้อยผ่านเขาอยู่ในช่วงโปรโมชัน่นอ่ะอินเลิฟ ก, กันค่อยๆเลื้อยไปเลื้อยไปพระองค์ก็โปรดให้รถหยุดก่อนอาดามาถามโยมถ้าเจองูนักทับมันเลยใช่ไหมพอทับเสร็จแล้วลงเก็บมาใส่ท้ายรถเนวันนี้ต้มยำเนี่มนุษย์อ่ะเรานึกถึงศีลไหมไม่หรอก ในพระองค์ท่านก็นึกถึงศีลบำเพ็ญศีลลวัตเพราะฉะนั้นจึงมีตบาเดชะเวลาพระอวยพรนะด้วยอำนาจของตบาเดชะพหลวัปัจจัยยมก็ฟังไม่รู้เรื่องอนะ่ะเนี่ยฟังแล้วจะรู้เรื่องปัญเนี้ยคือใครก็ตามที่มีศีลนนะมีปาฏิหาริย์ได้ไหมได้ด้วยเดชแห่งศีล น, นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้พระสารีบดีปวดท้องลมจุกเสียแทบล้มประดาตาย ไม่มียารักษาท่านอธิษฐานว่าด้วยเดินแห่งศีลของข้าพเจ้าที่ไม่เคยด่างพร้อยเลยถ้ากะไรเสียขอให้ว่าปวดท้องนี้หายทีเถอะจู่ๆอาการปวดท้องเหมือนไหลลงสู่ผื้นดินเลยท่านหายปวดท้องเลยนี่พระสาโรยบทเดชานูภาพของศีลก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในหลวงของเราก็ส่งสมาทานศีลแล้วก็รักษาศีล <c oughs> คนที่ไม่มีศีลไปอยู่ใกล้พระองค์ท่านกันเด่นออกมาทุกคนใช่ไหมบางคนไปอยู่ใกล้ยังไม่ทันพูดเลยที่ท่องไม่ได้พูดที่พูดไม่ได้ท่อง <c oughs> นี่เรียกว่าศีลหรือศีลหลังนะข้อสามนี่ยปริจจังขังหรือปริจจะคะเสียสละพระองค์ท่านเป็นพระหมหากษัตริย์ที่เสียสละมากที่สุดในโลกบางทีตีสองตีสามติดตามน้ําท่วม มีวันหนึ่งส่งแฝกไปที่หาดใหญ่ตามน้ําท่วมถามว่าน้ําทางโน้นเป็นยังไง <c oughs> เจ้าหน้าที่น่ยนอนหลับเฝ้าเครื่องแฝกตื่นมาเนี่อะไรไม่หลับไม่นอนเลยเขียนอย่างนั้นลแล้วส่งกลับกรุงเทพอ่ะต้นทางคือพระตำหนักจินรดา <c oughs> เห็นไหมใครจะไปรู้ว่าในหลวงส่งแฝกไปกลางคืนอย่างนั้นนี่คือแบบอย่างของพ่อที่เป็นนักเสียสละจริงๆ เราเนี่เสละสู้พระองค์ท่านได้ไหมพระองค์ท่านเสียสละเหลือเกินนะวันหนึ่งปีสามเก้าอาตมาจำได้เพราะเป็นปีที่อาตมามาอยู่กรุงเทพแล้วนาำท่วมปีนั้นอนตาตมาประสบภัยคนอื่นเขาประสบอุทกภยัยอตาตมาภาพในประสบฉ้าตกภัยคืออยู่ได้ด้วยไข่เค็มเป็นหลักต้องย้ายวัดเลยแนละ้วมาอยู่วัดเบญจเลยรอยู่บังกกน้อยนำะนธบาตั้งแต่เช้าเลย ลุยน้ำไปน้ำครึ่งแข้งครึ่งหาคุณยมทั้งหลายกี่รอบกี่รอบก็ไม่มีใครตัก บ, บาตรใครเข้มไปเดียวนี่ยกลมเมือกลมกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ในบาศข้าวก็ไม่มีมาม่าก็ไม่ได้ทําท่าทางกลิ้นกรเหลียยังไงยมก็ไม่ถวายเอาปีนั้นพอน้ําแห้งยังนั้นเลยไม่ไหวอยู่ไม่ได้ ท้องไม่อิ่มจะเรียนหนังสือได้ยังไงใช่ไหมเนี่ยปีนั้นมันปีน้ำท่วมใหญ่แต่คุณยอมรู้เบื้องหลังไหมใครที่รู้เรื่องก่อนนี่หลวงพ่อรู้เรื่องก่อนพ่อของเราตามพายุเรื่องหนึ่งที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาตามอยู่หนึ่งเดือนเต็มจนกระทั่งคืนนั้นมันจะถล่มแล้วยังไม่มีใครหน่วยงานไหนเอะใจเลยนะเฝ้าดูพระ อ, องค์สังเกตดูกรมตนิยมวิทยากงเง็เียบ ปกติกมโต้นิยมวิทยานีท่านแม่นมากถ้ามองขึ้นฟ้าวันนี้มีสองอย่างถ้าไม่หลัวก็สว่างพระอาทิตย์ขึ้นแน่นอนหกโมงเช้าตกที่แหลมสมเทพบกโมงเย็นแม่นทุกวันพายุจะถล่มเมืองไทยไม่ว่าอย่างไรสุดท้ายโรงงานเนี่ยเรียกทุกฝ่ายเฝ้าประชุมด่วนรับสั่งว่าฉันตามพายุมาหนึ่งเดือนเต็มมีใครรู้บ้างม เงียบไม่มีใครรู้เราจะรู้ว่ามีพายุก็ต่อเมื่อน้ําป่ามาแล้วะแต่พระองค์ท่านเห็นตั้งแต่มันก่อตัวเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจนกระทั่งมันมาจ่ออยู่หลังคาบ้านของคนไทยทั่วประเทศแล้วะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยัง <c oughs> หลัวอยู่วันเนี้ยยังไม่รู้จะออกห อ, อกก้อยพวกนั้นเลยรับสั่งว่าเราต้องเร่งมือกันรับมหันตภัยครั้งนี้ ทุกฝ่ายรับใส่กล้าวบอกว่าพรุ่งนี้จะดำเนินการพระพุทธเจ้าข้าทรงขยับแหละไม่ใช่พรุ่งนี้แต่ต้องเดี๋ยวนี้ทำไมต้องเดี๋ยวนี้พายุเนี่ยไม่เห็นแก่น่าิอนหน้าพรมนะไม่ใช่ว่าอ้ยตอนนี้ตีสามคนไทยหลับพายุไม่ถล่มนะเอาไว้ก่อนนี้วันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์โอ้ยคนไทยให้คนไทยหลับสักพักไปหล่มบรรจันจมีไหมไม่มี เพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าต้องเดี๋ยวนี้แก้ปัญหาทุกร้อนของประชาชนปีนั้นเป็นปีที่เราคนไทยได้เห็นในหลวงลงไปลุยน้ำจากนั้นพระองค์ก็ทรงคิดค้นเรื่องแก้มเหล็งเห็นไหมของเราถ้า น, น้ำท่วมสิ่งที่กรทมทาคือดูดน้ำพระองค์ท่านโน้นคิดที่ต้นน้ำเลยทำแก้มเหล็งล่วงหน้าของเรามวแต่จะแก้ปลายเหตุพระองค์ท่านจะมองที่ต้นเหตุ เหล่านี้ใครจะรู้บ้างว่าพ่อของเราอดตาหลับคบตนอนหนึ่งเดือนเฝ้าตามพายุลูกนั้นยิ่งตามมันยิ่งอยากมาถล่มประเทศไทยพายุนี่ก็แปลกเห็นไหมใครจะรู้พระองค์ท่านเสียสละอย่างนี้หรือที่ครั้งหนึ่งเสด็จที่บ้านแม่สาถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขออภัยที่จังหใหม่พระองค์ท่านเสด็จแล้ว ผู้ใหญ่บ้านหรือพู้หลวงบ้านซึ่งเป็นชาวเขาก็มาจูงข้อพระกรบบอกว่าเฮาจะพาพระอี่ยวบ้านพระองค์ท่านเข้าไปพอขึ้นไปถึงปุ๊บเขาก็เทเหล้าขา้าวโพดหมักจนได้ที่จอกน้ำเป็นจอกเงินยิ่งเก่ายิ่งเงเินวับเลยเครอะไปเลยนะเครอะด้วยสนิมมังเจ้าพีสเส ด, ดเห็นแล้วโหหอดตายแล้วถ้าพระองค์ท่านโปรดสเสวยน้ําจ้ำเลยยุ่งเลยนะดูดูจอกเล้าสิ สันหลินชัดๆนะแต่ชาวเขาเข้าภูมใจนำเสนอของดีที่สุดนั้นนะซุปเปอร์แวทชนุ่ของบ้านหม่อมเจ้าพิษเดชก็เลยกระซิบบอกว่าถ้าเขายื่นให้เนี่ยทรงทาเป็นจิตแล้วยื่นให้หม่อมชันปรากฏว่าเมื่อเขาเทเสร็จแล้วยื่นให้พระองค์ท่านนะเอาจอกแล้วจอริมฝีพระพดแล้วกระด ก, กลึ๊บเดียวหมดเลย หันมารับสั่งว่าไม่ต้องห่วงแล้วเขาพูดดีกรีเขาแรงเชื้อโรคตายหมด <c oughs> คำถามคือท่านในนั้นมียาพิษในหลวงเสี่ยงไหมนั่นล่ะพ่อเสียสละพ่ออ่อนน้อมทมองค์ลงหาชาวเขาชาวเขาก็เรียกพ่อว่าพ่อฟ้าหลวงเรียกสมเด็จยาว่าแม่ฟ้าหลวงฉะนั้นชาวเขาทั้งหมด พระเบัานาไทยทำให้รักไม่ได้ทำให้เป็นหนึ่งเดียวกับไทยไม่ได้ในหลวงขึ้นไปสองสามครั้งยอมหมดเขารบพระองค์ท่านนี่เรียกว่าก่อนที่จะครองคนต้องครองใจก่อนที่จะปกครองทรงปกกลอาทำให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาอบอุ่นหัวใจซะก่อนครองใจคนแล้วจึงได้ครองใจไทยนี่เป็นเคล็ดลับไหนพระองค์ท่านซ่งทรงทาอย่างนี้ ทรงเสียสละเหลือแสนเราไม่รู้หรอกว่าพ่อเสียสละยังไงเช่นเดียวกันกับที่ครั้งหนึ่งที่เสด็จที่ภาคใต้เนี่ยคุณมยมสังเกตไหมรถยนต์ท่าที่นั่งเวลาเสด็จล้อมหน้าล้อมหลังนายทหารนายตำรวจไม่รู้กี่ชุดตัวกี่ชุดแต่บังเอิญเลือกเกินถนนว่างหมดจู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์กระหน่ำวิ่งฝ่าทุกด่านชนโครมไปที่รถในหลวง รถเป็นเลขแปดสองคนนั้นสลบข่าที่อาตมาอ่านเจอเรื่องนี้แล้วก็สงสัยว่าที่สลบสลบจริงๆหรือว่าสลบเพราะว่ารู้ว่าเป็นรถในหลวง <c oughs> <c oughs> พระองค์ท่านทรงเปิดประตูรถออกมาดูมีรั้สั่งให้เอาไปโรงพยาบาลคุณยอมสังเกตไหมรถเป็นร้อยคันไม่ชนแล้วไม่ไปเจอจงชนรถในหลวงถ้าไม่ใช่รถอย่างดีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์ท่าน นี่คือทรงเสียสละนะไม่ใช่ว่ารถยนต์พระที่นั่งนั้นปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตนะนี่แหละคือเบื้องหลังที่ไปทรงงานแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วไม่มีหลอกในพงศาวดารเรื่องอย่างนี้ไม่มีในรชัชกาลจักรีนุชเบกษานะอยู่ในพงศาวดารกระซิบทั้งนั้นแหละเนี่ยตมาภาพต้องขุดมาแล้วคุณยอมก็จะได้เห็นว่าโอ้ดูซิพระองค์ท่านนะนายแต่รวจนายทหารแวดล้อมถึงขนาดนั้นบางทีก็ทรงเสี่ยงเหลือเกิน <c oughs> ทีนี้ไปดูข้อที่สี่ก็คือข้ออาชวังหรืออาชวะซื่อสัตว์สุจริตภาษาร่วมสมัยก็คือไม่ขอรับชั่นขอรับชั่นเนี่ยถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ขอรับท่านนั่นเองนะใครเป็นนายแล้วมีคนมาขอรับท่านอยู่ ใ, ใกล้ๆในระวังให้เนี่นะจะพานายแยกนะดีครับนายสบายครับท่านรับประกันเลยครับผมนะ ถ้าลูกน้องพูดบ่อยๆเราฟังให้ดีนะนายนี้จะแย่ห <c oughs> ลวงท่านเนี่ยไม่ไม่ขอรับชันมีอยู่ครั้งหนึ่งพระได้จะบริพาลคนหนึ่งไปกลาบงค์โคมทูลของเงินที่มีคนมาทุนกล้าวถวายไม่โปรดพระราชทานทําไมไม่โปรดพระราชทานทรงให้เหตุผลว่ารู้ไหมเวลาคนไทยเวงินมาให้ฉันนะบอกว่ามาทุนกล้าวโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชดายาศัยพรองค์ท่านก็จำำําคํานี้โดยเสด็จพระราชกุศลคือทําบุญเพราะฉะนั้นเงินจนํานวนนั้นก็เก็บไว้รวบรวมได้ปีหนึ่งก็ไปทําบุญปีหนึ่งก็ไปทำบุญถวายคณะสงฆ์ถวายเป็นทุนเล่เรียนหลวงพระนเนร์เรไปถวายกระถินหลวงบ้างอะไรบ้าง <c oughs> แล้วก็ทรงจํากัดจําเขีย่ยใช้เงินของพระองค์ท่านเองทีนี้ถ้าเป็นเราทั้งหลายมีคนเอาเงินมาให้แม่ใช้ตามอัธยาศัยนะแม่ รับรองเดี๋ยวมาตะวันนาล่ะเดี๋ยวไปสยามพรากอนหมดเลยนะท่านตาบัตยาไสใช่ไหมนี่พระองค์ท่านน่ะไม่คอร์รัปชันทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังทรงสว่างต่อไฟแล้วก็ทรงใสต่อน้ำํำ60ปีนี้ไม่มีใครสามารถเปิดอภิปรายพระองค์ท่านในแง่ของความทุจริตได้ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังสว่างเท่ากัน อาตมาคุยกับอาจารย์หมอประเวศฤสีท่านเล่าว่าเมืองไทยนี่แปลกมากมีในหลวงที่ไม่คอรัปชั่นเลยแต่ทําไมมีนักการเมืองคอรัปชั่นเยอะมีพระที่ดีที่สุดของโลกท่านพุทร ธ, ธาตุพิฆูรแต่ทํำไมพระเครื่องเยอะจริงๆดูสิเนี่ยเรามียอดคนอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองแต่เราได้ประโยชน์ไหมนี่น่าคิดนะ น่าคิดมากๆอะไรไม่ว่าเร็วๆนี่จะไปปลูกเสกกันที่วัดวัดอะไรพระบรมธาตุชียรยาใช่ไหมวันนั้นหลวงพ่อท่านพุทธทาสเป็นเจ้าอาวาสนะเข้าใจว่าคงจะอยากปลูกเสกตั้งแต่สมัยท่านยังอยู่แต่ท่านยังอยู่ก็มีกลาทํามพอท่านล่วงลับไปก็จะปลูกเสกดีว่าลูกศิียท่านก็พากันคัดค้านเอาไว้ท่านดูซิว่ามียอดคนของโลกอยู่ในเมืองไทยเราสองคน โลกโยกย่องพร้อมๆกันแต่เราได้รับสาระจากทั้งสองท่านนี้เต็มที่ไหมนี้เป็นคำถามแห่งปีที่จะฝากไว้ต่อใบมัธวาข้อห้านะอ่อนน้อมทำองค์ทุกท่านก็คงจะเคยได้ยินได้เห็นภาพที่ในหลวงโน้มพระวรกายลงไปหาชาวบ้านชาวช่องแต่นั้นเป็นข้อมูลทั่วไปของตอมาได้ยินมาเป็นอีกํำนวนหนึ่งนะ วันหนึ่งเสด็จพระราชดัดเนินตามจังหวัดบนสองทางซึ่งลาดพระบาทลาดอยู่ข้างหน้าคนเป็นแสนไปรอรับเสด็จโดยที่ไม่มีอยู่ในหมายกําหนดการมีเจ้าเด็กตัวกระเปี๊ยกคนหนึ่งเป็นนั่งรออยู่พอพระองค์ท่านเสด็จมาถึงเขากราบบังคมทูลว่าหม่อมฉันเนี่ยข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยป่วยมานานแล้วอยากจะขอให้พระองค์ท่านเป่ากระหม่อมให้หน่อยพระโจงคารั ก, ก็งงเหมือนกันว่าหมาได้ยังไง ไม่มีหมายเลยดนละโตมันได้ยังไงพระองค์ท่านไม่รอชา้าก้มลงเป่ากระหม่อมเด็กคนนั้นพูง้งเสร็จแล้วโอ้โหเย็น้านเลยจุ๋นหนูเง่หน้าขึ้นมามองขออีกสักครั้งหนึ่ง <c oughs> พระองค์ท่านก้มลงเป่าพุงนะ้งชื่นใจยังไม่พอนะเวลาเราพัฒนาศิล น, นะพุทธทางธรรมสองคั้งทุติยมปิเรายังต้องมีตติยมปิ เจ้าหนูก็อีกสักครั้งหนึ่งว <laughs> ันมอปลายสกุ้มลงเต่าเลยสามครั้งคุณยอมเชื่อไหมล่วงการผ่านไวัยไปนานมากไม่มีใครบันทึกเรื่องนี้ไปเลยแต่เด็กคนนั้นเติบโตเป็นผู้ชราสูงวัยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมตายเพื่อแผ่นดินไทยเมื่อไหร่ก็ได้เพราะในหลวงรักผมพ่ออยู่สูงสุดฟ้าแต่พ่อแลลงมาหาผม นี่เห็นไหมครองใจแล้วจึงครองราดได้ใจคนก่อนแล้วจึงได้แผ่นเดินนี้ทั้งแผ่นเดิ น, นเป็นปรากฏการฟ้าบรรจบเด่นธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปไม่ใช่ยอย่างนี้ถ้ามีอานาจถ้ายิ่งใหญ่แล้วชักไม่ติดเด่นชอบปลูกต้นกลางต้นโพกิเมเนื้อที่เยอะถนนสามเลนอย่าบอกแคบไปสี่เลนแคบแปดเลนแคบเห็นไหม ชอบปลูกต้นกลางต้นใส่แต่พระองค์ท่านเนี่ยสูงสุดฟ้าแล้วยิ่งท่อมลงมาเมากอมื่บางคนพอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วความจำาักจะลืมออกจากบ้านจำไม่ได้ว่าตัวเองโลกใครเห็นไหมชอบถามถามเมื่อไรก็มีเรื่องทุกทีหลักที่ถูกต้องคนยิ่งสูงต้องยิ่งทมยิ่งสูงยิ่งทำยิ่งสูงยิ่งบ้าอำนาจอันนี้ตกบันลังเร็วที่สุด รงท่านถ่อมนอกจากให้เกียรติคนเล็กๆแล้วเนี่ยทรงจำได้แม้กระทั่งพ่อค้าแม่ขายบางคนมีบางปีเสด็จประทับที่พระตำหนักภูพิมุระชนในเวศมีอยู่วันหนึ่งพ่อค้าแม่ขาโจกนําโจ๊ ก, จกไปทุนกลาวถวายเป็นพระกระยาหารเช้าเมื่อปลดเสวยแล้วทรงรู้สึกว่าอร่อยขอทราบอะไรชื่อปีต่อมาเนี่ยเสด็จมาประทับอีก ทรงถามหาพ่อค้าแม่ค้าสองคนนั้นดูเหมือนจะทรงฝากรูปมาให้เป็นของกำนันโอ้โหปีที่แล้วในพ่อค้าแม่ค้าสองคนนี้มาให้สัมภาษณ์บอกว่าชาตินี้ไม่เปลี่ยนอาชีพแล้วจะขายโจกต่อไปพูดในหลวงการันตีเชีวชวนชิมอร่อยจนพวกท่านจำชื่อได้นี่ดูสิทรงเก็บรายละเอียดเล็กๆแล้วเรานี่จำชื่อคนได้ไหมให้เกียรติคนม เรานี่มีแต่จะมองข้ามหัวคนนะพระองค์ท่านไม่เคยมองข้ามหัวคนเมื่อกรลบในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายก็น้อมกล้าวถวายพระองค์โดยดุลสดีนี่พ่อของเราอ่อนน้อมทำองค์อย่างนี้ครั้งหนึ่งเสด็จที่ต่างจังหวัดโดยที่ไม่มีใครทราบต้นหมายปลายเหตุอะไรทั้งสิ้นจู่ๆในหลวงทรงขับรถไถไปติดอยู่กลางทุ่งอาดมาก็งงว่าทาไมปล่อยให้พระองค์ท่านขับอยู่พระองค์เดียวนะ ไปติดอยู่กลางทุง่งมีนักเรียนเปเรสามสี่ 3, คนหนีเรียนครูตามหาไม่เจอไปเล่นอยู่กลางทุง่งกลางนาเห็นใครก็ไม่รู้ขับรถไถมาติดเจ้าสามคนในวิ่งไปช่วยเข็นไม่ดูตาหมาป่า เ, เลยไม่ได้จุดมากนะักเข็นอย่างเดียวเลยเข็นตึน้รีิเข็นยังไงก็ไม่ขึ้นเพราะเป็นเด็กทางโรงเรียนก็ตามหามันหายไปไหนเจ้าสามพระนอนเนี่เมื่อเข็นไม่ขึ้น ผู้ที่กาลังขับรถอยู่ได้ควักแบงก์ออกมายื่นให้เจ้าหนูคนหนึ่งหนูเห็นคนในแบงค์นี้ไหมลูกคุนๆ <c oughs> เหมือนในหลวงอแล้วเหมือนไหม <c oughs> ตกใจเลย <c oughs> เจ้าหนูคนนึงโอ้โหเหมือนมากเหมือนจริงๆ <c oughs> แล้วหลันั้นก็ส่งกระสียนหนังสือใส่กระดาษเข้าขาบอกโลกเอาไปยื่นให้ครูประจำชั้นของโลกนะ ครูเขารู้เจ้าหนูคนนี้ถือกระดาษวิ่งไปในนั้นเขียนว่าในหลวงรถติดลง <c oughs> ส่งกองกําลังมาช่วยด่วนเ <c oughs> จ้าหนูมันเกเลยมันวิ่งไปถึงโรงเรียนเป็นยังไงวิ่งไปถึงครูเห็นปุบ๊บโอ้โหไอหนี้เองมันมาแล้วจับได้หักไม้เรียวข้างๆห้องอะเขียนเจ้าหนูสามทีเจ้าหนูร้องไห้โอโ้ตายแล้วหน้าสมแพท ครูก็ไม่ดูตามาต่อเรือเขียนเสร็จจะดูควักกระดาษให้คุณครูคุณครูอ่านอเอา้าตายแล้วนี่ลายมือในหลวงอะนี่ฉันตีรา้จะทุบแล้วนี่ตกใจยกกันไปทั้งรเรือนเลยเห็น ไ, ไหมเด็กเกเรนะบางทีมก็มีประโยชน์นะนี่แหละแม้แต่จะทรงแนะนำพระองค์เองก็ทรงทำอย่างละมุนละม่อม ไม่เคยที่จ ะ, สะแสดงอภิสิทธิ์เราทั้งหลายในเวลาแนะนําตัวเองอย่างไงกระโจยร้อยแล้วกนเขียนให้เวอร์เข้าไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาตามาไปบรรด า, าตามาจะบอกว่าอย่าแนะนําเยอะนะแนะนําเยอะๆเดี๋ยวตา ม, มาพูดไม่ดีแล้วเสียของเลย <laughs> เพราะฉะนั้นพระองค์นั้นถือสูงสุดแต่ว่าถ่อมสุดอ่ะแม้แต่จะนําเสนอพระองค์เองต่อเด็กๆก็ทรงมีลูกเล่น ทำอย่างละมุนละเม่มไม่ให้เด็กรู้เนื้อรู้ตัวว่า น, นี้ในหลวงสั่งทรงให้เกียรติมากอาจารย์ดรสุมเมฆบอกว่าเวลาประชุมนะทั้งทั้งที่พระองค์ท่านมีพระราชวินิจฉัยแล้วทุกคนเห็นด้วยหมดแต่พระองค์ท่านก็จะถามว่าพวกคุณว่าอย่างไรเนี่ยโครงการเนี่ยพวกคุณว่าอย่างไงอาจารย์ดรสุมเมฆก็บอกว่าใครจะไปกล้ากราบังคมทูลว่าคือทั้งๆ้ที่ตร ง, งถูกต้องทุกอย่างแล้วก็ยังทรงถาม ขอคุณดูขอความเห็นอย่างนี้เราภาษามพหาุเรียกว่ามัทธวะอ่อนน้อมทําองค์คนไทยไม่กลัวแต่คนไทยเกรงเพราะทรงอ่อนน้อมทําองค์คนไทยจึงรักในหลวงก็เพราะว่าพระองค์ท่านทร ง, งติดด่นภูมิพลนั้นสมเด็จได้ทรงแปลว่าชื่อของโลกแปลว่าติดเด่นขอให้โลกอยู่กับเด่นพระองค์ท่านจึงอยู่กับดินให้เราเห็นบัตลังที่มันคงที่สุดไม่ได้อยู่ในธรรมเนียบนะ แต่บัลลังก์ที่มั่นคงที่สุดอยู่ในใจคนฉะนั้นใครที่ครองเก้าอี้อยู่นาเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้เล็กๆอะไรก็ตามนะอย่าไปคิดว่าความมั่นคงของเก้าอี้อยู่ที่ฐานของเก้าอี้แท้ที่จริงความมั่นคงของเก้าอี้อยู่ในใจคนช <c oughs> นะใจคนแล้วคุณจะนั่งเก้าอี้ตลอดกาลนานเลยนี่เป็นวิธีรักษาเก้าอี้นะไม่รักไม่บอกนะเนี่ยรักษาให้ดี <c oughs> หกนิตตะปะหรือตะปังแปล ว, ว่าความเพียรเผากิเลสความเพียรเผากิเลสนี่ไม่ใช่ว่ากิเลสมีกี่กองกี่กองกลับไปบ้านออกมาสูงไฟเผาน้ำมันก๊าซรัดไม่ใช่นะเผากิเลสในที่นี้หมายถึงพระสมาธิเรามากักจะที่ใบคำนี้ปิดเผ็ดนะเพราะความเพียรหมายถึงเพียรทำงานจริงๆเพียรทำงานอยู่ในคำว่าเสียสละแล้วปริจาคะตะบานนี่ให้แปลว่าสมาธิ เพราะบาลีถอดความหมายคํา ำ, ำนี้ว่าอุปโสทกรรมมังแปลว่าอุโบสถกรรมคือการสมาทานสิ้นแปดและบําเพ็ญสมาธิภาวนานี้ต้องแปลให้ถูกอย่างนี้พลตารวจเอกวสิษฐ์เ ด, ดชกุลชรนายตำรวจราชสานักประจําเมื่อแรกไปถวายงานพระองค์ท่านเล่าว่าในหลวงสอบสัมภาษณ์ทรงสอบสัมภาษณ์ด้วยพระองค์เองก็คิดว่าคงจะถามเรื่องหน้าที่การงานที่ไหนได้ มีรับสั่งถามว่าคุณนั่งสมาธิเป็นไหมนายตำรวจจบเมืองนอกไม่รู้จะตอบอยังไงทั้งชีวิตไม่เคยคิดจริงจังกับสมาธิเลยนั่งครั้งสุดท้ายก็ตอนก่อนจบเนะี่ยแล้วไม่ได้นั่งธรรมดานะบางทีพวกเราเนะี่ยครูทำโทษให้เป็นนั่งหน้าเสาธงเจ็บปวดกับเรื่องสมาธิมากไม่รู้สึกดีกับสมาธิอามา ก, กว่าจะรู้สึกดีกับสมาธิก็นานเมืม่อมนะ่ ทำไปบนครูบาอาจารย์ไปให้ทำทำไมคนไม่รู้ตีสี่ตีห้าคนจะหลับจะนอนปุกกันมาเนื่อสมาธิแต่มาอยู่เชียงรยนะตีสี่ตื่นแล้วหลวงพ่อจะกดกริ่งกดกริ่งเสร็จจากนั้นท่านจะเปิดไมโครโฟนลูกตีสี่แล้วตื่นนะลูกนะเราเป็นพระเป็นเลนอย่ากินข้าวชาวบ้านเขาเปล่าเปล่ า, ลาอาตอมาตื่นเลยนะตื่นเรา่งหุดหงิดหลวงพอ่อ จะบ่นอีกนานไหมใครที่มีคุณพ่อคุณแม่แก่ๆจําไปนะตื่นเช้าๆท่านจะบ่นใช่ไหมบู๊บบ่นนะอรรมะนี่พอท่านเริ่มบน่นธรรม า, า, รมมาก็ลุกหลกมุดหยิกก็ขัดกับเวียดไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิว่าจะมาเห็นคุณค่าก็ต่อเมื่อไปอยู่อัดวัดอัมพวันได้ไปฝึกยบหนอพองหนอที่นั่นนั่งสมาธิวันแรกนิ่งมาก ก็รังคังฉันเพจไม่ไปนิ่งจูจูมีแสงนับออฉันบรรลุธรรมภูมิใจเหนวอุ้ยปีติเกิดท่วมท้นนะอีกสักพักหนึ่งวาบทีนี้สว่างไปทั้งตัวเลยนะอาตมาอุ้ยฉันได้โอภาษเส้นเปนมิตรลึกนอะคงเหยียบๆเป็นโดดันอ่ะอีกสักพักหนึ่งมันมั่วเอ๊ะทําไมมันวาบบ่อยดังเลยอุ้ยอาตมาก็ลืมตา ที่ไหนได้พอเลืมตาเป็นเจ้าหน้าที่เขามาถ่ายรูปอู้ยิ่งใหญ่จนแฝงหมดเลยดูนะไม่ใช่ธรรมะธรมโมอะไรเลยแล้วเขามาถ่ายรูปลุกไปฉันเพลนแล้วกลับมาตั้งต้นใหม่กว่าจะนิ่งเหมือนเดิมอีกตั้งห้าหกวันเนี่ยไปฝึกสมาธิไม่ในหลวงเนี่ฝึกสมาธิฝึกมาก พลตำรวจเอกวสิทธ์บอกว่าคำถามแรกคือถามว่าคุณฝึกสมาธิไหมคุณนั่งสมาธิเป็นหรือเปล่าในชีวิตในตำรวจไม่เคยฝึกของอย่างนี้เลยฝึกแต่ยิงปืนกลับออกมาไปซื้อหนังสืออาณาปานาสติตท่านพุทธราชมานั่งฝึกสมาธิทุกวันนี้ในตำรวจท่านนี้กเกษียณที่พลตำรวจเอกรองอธิบดีกรมตำรวจตอนนี้กลับมาเป็นประธานปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาชีพหลักคือตำรวจ อาชีพเสริมตอนนี้เป็นครูสอนสมาธิได้มาจากไหนในหลวงถามคําเดียวแต่ธรรมาถามลูกศิษย์บอยบ่อ ย, อยไม่เห็นมีใครเปลี่ยนอาชีพเลยรู้จักสมาธิหรือเปล่าพอรู้อาทิตย์ธรรมาดีขึ้นแล้วอย่างบอกยังไม่ได้นั่งเลยเราดิสู่พระองค์ท่านไม่ได้เห็นไหมตบะทำเนี่ยมันไม่ได้ทํากันง่ายๆนะคนจะนั่งสมาธิอรรมาให้ ถามลูกศิษย์ที่มอเกษตรลูกนั่งสมาธิห้านาทียกลูกตุ้มหนักห้ากิโลลูกทําอะไรบกขอหนูยกลูกตุ้มแล้วกันหนัก อ, อกหนักใจแล้วเ ก, กินเรื่งสมาธินี่ยเพราะมันทวนกิเลสใช่ไหมทวนกิเลสอาตมาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยกับเพื่อนเพื่อนอาตมาท่านอ้วนแล้วตีอย่ม้อต่อนะคุณยองมึงเดือนนั้นไม่บ่นสั้นทำอาตมาก็ถามว่าคุณทนได้ยังไง พอนั่งเป็นนิ่งมีอยู่วันหนึ่งส่วนมนพอนั่งเสร็จปุ๊บแผ่เมตตาอาจารย์ท่านก็พานั่งสมาธิจู่ๆเราก็ได้ยินเสียงกลนสวนขึ้นมาวันนั้นอาตมาเลยได้รู้เคล็ดลับท่านพอนั่งเป็นนิ่งแล้วเป็นยังไงเรานมท่านเนี่ยมารับอยู่ที่ขางท่านท่านอ้วนไงพอนั่งปุ๊บท่านก็เอาคางลงมาพักที่เรานมจากนั้นท่านบอกผมในอิสราเอลแล้วก็อาลับ เลยบันนอนต่อเลยเนี่ยเคล็ดลับของท่านอาตมาก็โถเราก็นึกว่าแน่ท่านองค์นี้พูดกับอาตมานะสําหรับผมนี่จะให้นั่งสมาธิหรือนอนสมาธิผมไม่ไ้บวชยัน่นจะไปยั่นได้ไงท่านนั่งแล้วเป็นหลับอ่ะนี่ท่านอ้วนเห็นไหมแ ม, แม้แต่พระสงฆ์องค์เล็กกว่าจะนั่งสมาธิก็ต้องสู้กับตัวเองนะแต่ในหลวงของเราโปรดนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละสี่สิบนาที เพราะฉะนั้นจึงมีตบาเดชั <c> ่ <oughs> ตบาเดชั่นนี้เกิดขึ้นก็เป็นปาฏิหาริย์ทางธรรมะได้อาจารย์ดรสูมเมธ์บอกว่าวันหนึ่งไปที่อีสานฝนไม่ตกสามปีชาวบ้านมากอดพระบาทร้องหยงแล้วก็ขอฝนหน่อยเถอะพระพุทธเจ้าข้ามีรับสั่งว่าเดี๋ยวฝนจะมารับสั่งเสร็จฝนตกสู่ลงมาดรสมเมร์เก็บกล้องไ่หันเสียกล้องไปตัวหลักฐานว่าฝนลงจริงๆเห็นไหม เพราะฉะนั้นตบบาทธรรมเนี่ยคือการฝึกสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีเดชานุภาพไม่น้อยไปกว่าศิ้นเป็นหลักธรรมภาคบังคับของคนทุกคนที่จะเป็นผู้บริหารชาติบ้านเมืองถ้าคุณไม่นั่งสมาธิคุณเอากิเลสไม่อยู่เพราะเมื่อเราเข้ามาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองมันเงินของประชาชนทั้งนั้น่ใช่ไหมถ้าไม่ฝึกสมาธิไว้นะักกิเลสไม่ฟอก็จะกวาดเอาเงินของประชาชนมาเป็นเงินของตัวเอง แต่เพราะพระองค์ท่านทรงฝึกสมาธิเพราะฉะนั้นทรงบริหารจัดการกิเลสได้อย่างดี・เยี่ยมคนที่ฝึกสมาธิภาวนาเหมือนในหลวงแล้วมีความรู้ก็จะไม่กลางมีความเก่งก็จะไม่โกงสูงก็จะท่อมมีอำนาจก็จะไม่โลภแก่อำนาจบริหารประเทศชาติบ้านเมืองก็จะสร้างประโยชน์ไม่ใช่สแสวงประโยชน์สร้างประโยชน์คือทาเพื่อประชาชนสแสวงประโยชน์คือเพื่อตัวเอง เห็นความลึกซึ้งของตาบะหรื อ, อย่างพระองค์ท่านฝึกสมาธิภาวนาวันละอย่างน้อยสี่สิบนาทีเพราะฉะนั้นเดชานุภาพเยอะเวลาพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยรถสิบล้อสักสิบคันปริญญาบัตรเต็มกันรถนั่นคือคำกล่าวเชิงอุปมาอุปไมยว่าพระองค์เคยพระราชทานปริญญาบัตรมาแล้วประมาณนั้นปีหนึ่งมหาวิทยาลายยัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรโดยพระองค์ท่าน ทางโน้นก็อยากรู้อยากจะลองว่าพระองค์ท่านนั่งสามชั่วโมงนี้เป็นยังไงให้คณะบดีเป็นนั่งแทนให้นิสิตมาฝึกใช้คณะบดีเปลืองถึงสี่คนเดินกลับลงมาจากแท่นนี้หิ้วแขนลงมาเลยเห็นไหมแต่พระองค์ท่านสบายมอบปรญญาบัตรเสร็จขึ้นพระราชพานะกลับกรุงเทพกลับมาถึงทรงเปลี่ยนฉลองพระบาทใบวิ่งออกกาลังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะสมาธิเนี่ยทำให้พระรงองค์ทรงมีน้ําหอดน้ําทนได้มากขึ้นคนตำรวจอท่านหนึ่งเดี่ยเล่า ว, ว่าคนหนึ่งเมื่อพระองค์ท่านเนี่ยไปที่เชียงใหม่โปรดขึ้นลงเขาขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเข า, ขลเข า, ลเขาแล้วไม่เหนื่อยเลยในตํารวจทหารเนี่ยอาเจียน ต, ตามๆกันนะขณะในตํำรวจราชวงคารักษ์เนี่ยขึ้นไปก่อเน่ยไปหยุดเกาะเสาอาเจียนอยู่ราชวงคารักษ์อีกสองคนเดินตามขึ้นมาอีกคนบอกคุณขึ้นไปก่อนสิ ผมหยุดก่อนก็เลยเปลี่ยนเวรกันขึ้นไปในหลวงเดินจับๆๆๆๆเสด็จดินเดินขึ้นไปคุยกับชาวเขาราจงคารักษ์สามคนตะ ก, กุยตะ ก, กายขึ้นมายืนหลังพระองค์ท่านเบื้องพระปริศดาวระงท่านคุยกับชาวเขาแล้วถามว่ายังไงพวกคุณทั้งสามคนลิ้นห้อยอยู่ไม่ได้ยินพละงค์ท่านจึงหันกลับมาตรัสพระหยกว่าอ๋อพวกนี้ยังพูดภาษาราชการไม่ได้ <c oughs> เห็นไหมพระองค์ท่านมีสมาธิพอมีสมาธิปุ๊บ ความเนหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหายเรื่องนี้แต่พรภาพเปรียบเทียบกับเรื่องของพระพรหมกุณาภรณ์พระญาณเวสกาวันพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั่งบวชหน้าห้าชั่วโมงอ่ะคุณยอมคิดดูนะห้าชั่วโมงพระใหม่นเนี่ยแม้แต่พระที่เป็นนั่งเป็นพระอันดับบอกว่าขอครั้งเดียวในชีวิตไม่เอาเราไม่มานั่งกับหลวงพ่อะหลวงพ่อนั่งพระเพียบสี่ถึงห้าชั่วโมงคุณยอมเทศ เทศสอนหน้าได้ตำราเป็นเล่มๆแล้วท่านนั่งเอรยาบทเดียวคนที่สมาธิไม่กล้าไม่แข็งจะทนได้ไหมทุกท่านนั่งอยู่ในที่นี้เอรยาบทเดียวเดี๋ยวก็ขยับแล้วเดี๋ยวก็ขยับอีกพระอะไรเทศนะ์น่ะนะฮะสมาธิไม่กล้าไม่แข็งก็จะทนไม่ได้แต่ถ้าสมาธิดีนั่งข้ามวันข้ามคืนอัตมาเห็นผลกับตัวเองตอนฝึกสมาธินั่งโดยที่ไม่ฉันเพลนเลยบินทานบาทกลับมาไม่ฉัน ตอนนั้นปิดในรถสมาธิตะมันนั่งแล้วเวลาเนี้ยสั้นมากนะนั่งจนถึงเงย็นเลยมันก็ไม่หิวไม่อ่อนไม่เพลียนะนี่เราเรียกว่าสมาธิถ้าฝึกกันจริงๆแล้วเนี่ยได้น้ำอดน้ำทนได้ตะบะเดชะหลวงท่านทรงทาให้เราดูผลตำรวจเอกวสิทธิ์ถึงกับเขียนเอาไว้ว่าที่ในสำนักพระราชวังสวนจิรดานะ เปรียบเสมือนสำนักวิปัสนาน้อยโดยที่มีในหลวงเนี่ยเป็นพระวิปัสนาจารย์ทรงทั้งสอนทั้งสอบอารมณ์ลูกศิษย์เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงงานนี้จึงเป็นงานที่มีปีชาญาณเฉียบคมลึกซึ้งมากเพราะว่าจิตนั้นนิ่งเรียบผ่องใสเอาประเด็นต่อไปประเด็นที่เจ็ดอโกทะคือความไม่โกรธประเด็นนี้เนี่ยอธิบายง่ายเพราะไม่ค่อยมีใครเห็นในหลวงทรงกลิ้ว มีคนเฝ้าจับตาดูก็ไม่ค่อยเห็นโกรธเลยเห็นแต่สงกริ้วแต่ถ้ากริ้วใครจะเรียกเข้าไปหาแล้วปลอบใจจากนั้นพระราชทานพระสมเด็จจิตรดาทหารตำรวจเนี่อยากให้พระกริュแล้วเกินจะได้พระอื <c oughs> แต่พระก็ไม่ได้ให้ง่ายๆคนนี้ฝึกสมาธิอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องโกรธหรอกมันเป็นของหายเองเพราะสมาธิเนี่ยมันเป็นคู่ปรับกับราคะเป็นคู่ปรับกับโทสะ เมื่อฝึกสมาธิม า, มากจิตมันนุ่มมันนวลไม่รู้จะไปโกรธใครเพราะว่ามันเย็นโด้วยต่น่อมันมีคํำคำหนึอธิบายคุณนันทศักด์ของสมาธิว่าอาเศเจนกโกแปลว่าเย็นโดยไม่ต้องรดเพราะฉะนั้นเราไปนั่งคุยกับคนฝึกสมาธิเราจะเย็นกายเย็นใจเหมือนท่านมีโอเอซิสอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นในหลวงนี่เราไม่สามารถสัมผัสได้ว่าพระองค์ทรงเกลียวทรงโกรธใครเพราะพระองฝึกสมาธิอยู่เสมอคอนนี้ก็จะผ่านไป ข้อแปดอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนความไม่เบียดเบียนก็ทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมทั้งกายทางวาจาทางใจมีเรื่องหนึ่งที่เป็นประจักษ์พยานหลักฐานก็คือว่าครั้งหนึ่งเสด็จต่างจังหวัดวันนั้นทรงไปลุยดงทากมาทั้งพระองค์ท่านทั้งข้าราชการบริพานถูกทากกัดกันหมดเมื่อรถแล่นไปประมาณสามทุ่ม สองทุ่มหรือสามทุ่มมืดแล้วภาคใต้นี่จู่ๆรถยนต์พระที่นั่งหยุดไม่ได้หมายนี่น่าตกใจนะอย่าว่ารถยนต์พระองค์ท่านเลยรถอาตมาไปหยุดอาตมาดึงตกใจเลยอาตมาไปเทศแล้วจูๆ่ๆก็กูหยุดอาตมาก็กลัวเนี่ยยิ่งเป็นพระเนี่ยถ้ายิงแล้วสนุกพระอกพระนี่ไม่มีเสื้อกลอก <c oughs> นักเรียนในร้อยตำรวจถามอาตมาว่าท่านอาจารย์พระสวมเสื้อกลอกดูไม่สำรวมอาตมาถามว่าแล้วคุณคิดว่าพระมีหน้าอกไหมตำรวจเงียบเลยเพราะฉะนั้นไปภาคใต้เนี่ยอันตรายมาแส่ไหนแต่ไรแต่มียวันหนึ่งทั้งๆที่มืดค่ำอย่างนั้นรถยนต์พระที่นั่งก็หยุดลงกึกตรงท่านเปิดประตูลงไปโดยที่ไม่มีใครได้เตรียมตัวมาก่อน ทรงก้าวลงไปแล้วสมเด็จพระเทพหรือขระราชบริพาณท่านหนึ่งนะราชองครักษ์ได้ฉายไฟฉายภาพที่เห็นคือในหลวงทรงเอื้อมพระหัตมาหยิบบางสิ่งบางอย่างออกจากก้านพระศอวางลงข้างข้า ง, ข า, งางทางซิ่งนั้นคือผู้โดยสาพิเศษของเรานั่นเองตัวทากทากตัวหนึ่งขอลงกลางทางดูสิอาตมาอยากจะถามพวกเรา ถ้าถ้ากัดคนยอมทำยังไงมันขึ้นมาจากเท้าถึงคอเลยนะเล็บติดจนขาดสองท่อนเลยนีนม่มนุษย์นะมีปกติวิสัยเบียดเบียนใช่ไหมถ้าไม่เชื่อกลับไป น, ะนั่งทำงานอยู่หรือที่บ้านก็ได้ถ้าได้ยินมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านอี๊บสักพักถ้ามันไม่โครมนะโยมจะรู้สึกงดกิจในหัวใจโกร่หน้าออกมาทำใหม่ไม่โครมมันไม่จะโครมเลยเ <c oughs> นียไหม มนุษย์มันโชคเบียดเบียนแต่พระองค์ท่านทักตัวหนึ่งก็ไม่ฆ่าเพราะฉะนั้นศีลข้ออวิหิงสานี้ไม่มีด่างพร้อยเช่นเดียวกันไปดูข้อก้าขันติขันตินี้ก็เห็นชัดนะพระองค์ท่านทรงอดทนมีน้ำหมดน้ำทนทรงวิ่งออกกำลังพระวรากายนายตำรวจทหารวิ่งตามไม่ทันมีอยู่ครั้งหนึ่งทรงโดนตรีตั้งแต่หัวค่าประมาณสามท ข้าราชกาบริพารที่เล่นดนตรีโดยเสด็จนะต้องแอรพากันไปเข้าห้องน้ำข้าราชกบริพารบางท่านต้องบอกว่าแอร์ไปยืนงิบในห้องน้ำในหลวงทรงเป่าแซกโซโฟอนอยู่บนเวทีต้องบอกว่าผลัดกันกราบบังคมทูลลงมาข้างล่างไปอยู่ในห้องน้ำมัางเต็งงิบบ้างพอถึงประมาณหกโงเช้าปุ๊บแสงแรกประดับดินแล้ว พระองค์ท่านทรงเป่าแซกโซโฟนเดินออกจากพระราชวังไกลกลางบนทะลุลงไปริมชายหาดที่ทะเลขเ้าราชบริพารเดินตามลงไปนึกว่าจะทรงหยุดที่ไหนได้ทรงเรือใบต่ออีกนี่ข้ามคืนข้ามวันเห็นไหมว่าขันติธรรมในพระองค์ท่านนั้นสูงขนาดไหนนี่เป็นขันติทางกายภาพแต่ขันติที่ยิ่งกว่าคือขันติท่ากลางมหันตภัยของสังคม ปีที่แล้วคุณยมก็คงจะเคยได้ยินม็บใช่ไหมมบบอกว่าถวายคืนพระราชอํานาจกู้คืนพระราชอํานาจขอนายกพระราชทานอะไรๆก็พระองค์ท่านทั้งหมดถ้าพระองค์ท่านไม่มีคันติจะเกิดอะไรขึ้นเราทั้งหลายมีลูกสองสามคนลูกกระจององอังยังอยากจะหักคอเลยใช่หมไม่ถ้ามีผิดกฎหมายได้หักคอเลย พัดมามีลูกศิษยสามสี่ 3, คนเวลาลูกศิษย์ทําบิดสั่งตัดหัวประจำลูกศิษย์นี่ก็แปลกนะตัดปุ๊บหัวมันก็งอกปั๊บเหมือนกัน่ะเนี่ยน้ําหมดน้ําทนเราน้อยพระองค์ท่านน้หมดน้ําทนมากลูกของพระองค์ท่านหกสิบ้าล้านคนทะเลาะ ก, กันทั้งตีพ่อนิ่งไหมพ่อนิ่งมากเห็นไหมถ้าไม่มีขันติธรรมเราจะทนอย่างนี้ได้ไหมไม่มีทางเราต้องรู้แก่อำนาจไปแล้ว เพราะฉะนั้นเหล่านี้เราคือพระขันติธรรมในพระองค์ท่านทนได้ในทุกสภาพอากาศต่อให้ซีซันเชียนยังไงก็ตามสบายของพวกเรานี้พออากาศเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บไม่ทนแล้วพระองค์ท่านนะทนทนเพื่อพระสงฆ์ในก่อนของพระองค์เราต้องฝึกอดทนอดกลัน้นปราท่านบอกว่าเราทนต่อคนที่สูงกว่าก็เพราะเขาสูงกว่าทนต่อคนที่เสมอก็เพราะเขาคือคู่แข่ง แต่ใครทนคนที่ต่ำกว่านั่นคือยอดของผู้อดทนเพราะคนที่ต่ำกว่าเราเราจะทำร้ายเขาก็ได้แต่เราไม่ทำใครทนต่อผู้ที่ต่ำกว่าได้นั่นคือยอดมนุษย์ที่อดทนฉะนั้นในหลวงนั้นสูงที่สุดแต่ทรงทนต่อคนที่ต่ำจึงมีพระคันติธรรมสมบูรณ์แบบมากนะเอาต่อไปไปดูข้อสุดท้ายอาวิโรธนะปฏิบัติไม่ล้าทำ แปลเป็นภาษาธรรมว่าทำมาที่ปัตติทำอะไรก็ตามเอาความถูกต้องไม่เอาความถูกใจนะถ้าไม่ถูกต้องแล้วพระองค์ไม่เล่นด้วยเด็ดขาดอะไรก็ตามต้องถูกต้องเท่านั้นครั้งหนึ่งพระองค์ท่านไปทรงพระแสงปืนนายพันตำรวจคนหนึ่งเป็นราชองครักพอพระองค์ท่านทรงพระแสงปืนยิงหมดซองปืนแล้วเขาวิ่งไปดูกลับมากราบบังคมทูลบอกว่าถูกทุกนัดพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ท่านก็ถามแล้วกี่นัด่ะ ในพันตำรวจลืมนับจะวิ่งเป็นนับก็ใช่ที่ใช่ไหมเขาใช้วิธีเหลือบมองพระแสงปืนในพระกร่อนปืนรุ่นนี้เต็มที่ต้องยี่สิบนัดใช้เวิร์บโเดาทีนี้กราบังคมทูลบอกว่าถูกทุกนัดยี่สิบนัดพระพุทธเจ้าข้าในหลวงก็ยกพระแสงปืนขึ้นมาสองนะฉันจำได้ว่าเมื่อบรรจูใได้สิบแปดแต่ทำไมยิงได้ยี่สิบเห็นไห อะไรที่ไม่ถูกต้องพระองค์จะตะลุกกลางปล้องให้เห็นไม่เลี้ยงไข่นี่คือธรรมมาที่ปรไตยไม่มีการเลี้ยงไข่ครั้งหนึ่งเสด็จที่โคราชทรงเยี่ยมโครงการถามเรื่องอ่างเก็บน้ําถามเรื่องโครงการนั้นโครงการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกราบังคมทูลโครงการผิดในหลวงทรงทักกลางคนเยอะแยะผู้ว่าฉันจําได้ว่าโครงการนี้มันอยู่นคะรราชสีมาไม่ใช่หรือ ผู้ว่าเนี่ยไม่รู้จะอาอย่างไรแล้วใช่ไหมนี่คือธรรมมาที่ปไตยเรื่องไหนก็ตามที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกทำพระองค์ท่านจะชัดเจนลงไปมีรับสั่งเมื่อวันที่25เมษายนมาตั้งแต่แรกเสวยราชจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยทําอะไรตามอําเภอพระไทยถ้าทรงทําอะไรตามอำเภอพระไทยพระองค์ท่านบอกว่าฉันอยู่ไม่ได้ในการปกครองหรือบริหารราชการแผ่นดินนั้นมีหลักการตัดสินใจสามแบบหนึ่งอัตตาที่ปไตย อัตาที่ปไตยคุณโยมคงจะคุ้นๆข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐข้าพเจ้ารับผิดชอบเพียงคนเดียวพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ของฝรั่งเศสบอกข้าคือรัฐเท่มาก I am a state ข้าคือรัฐใครทำผิดทำถูกฉันตัดสินนี่เรียกว่าอัตราที่ปไตยผิดพาดได้ไหม ผิดพลาดได้ง่ายๆถ้าผู้นําไม่ทรงธรรมสองโลกาที่ประไตโลกาที่ประไตก็คือประชานิยมหรือประชาธิปไตยอะไรที่ไม่ถูกแต่ว่าถ้าถูกใจคนส่วนใหญ่ผู้นําที่เน้นประชานิยมก็เอาด้วยเหมือนญานโยมทั้งหลายอยากจะฆ่าวัวสักตัวหนึ่งมีโยมอยู่ห้าร้อยคนไปติดอยู่กลางทะเลทรายมีวัวอยู่ตัวหนึ่ง มีพระอยู่รูปหนึ่งตนมาโยมบอกว่าอยากจะกินเนื้อวัวปิ้งเนื้อวัวย่างมีคนหนึ่งเสนอขึ้นมาต้องโหวตตกลงคนห้าร้อยคนสี่ร้อยเก้าสิบเก้าคนโหวตว่าต้องปิ้งวัวตัวนั้นแหะพระหนึ่งรูปบอกไม่ได้อัตมายืนยันหัวเด็ดตีนขัดไม่ได้แต่เมื่อวัดเสียงกันแล้วสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเสียงของประชาชนชนะ นี่คือประชาธิประทยประชานิยมใช้ตัดสินความต้องการได้แต่ใช้ตัดสินความจริงไม่ได้ใช้ตัดสินธรรมะไม่ได้ประชาธิประทยจึงมีข้บอบกพร่องดังนั้นนักการเมืองหรือผู้บริหารราชการแผ่นดินถ้าใช้แต่ประชาธิปรตทายอย่างเดียวประเทศชาติบ้านเมืองก็พังได้ง่ายๆบางอย่างผิดกฎบัตรกฎหมายแต่แก้กฎหมายให้ถูกมันก็ถูกเลยนะสุราเนี่ยเป็นสุราเถื่อน แก่กฎหมายเขียนว่าขายได้เสรีเลยตอนนี้มันเลยถูกขึ้นมาเลยตอนนี้คนขายสุรามีเกียรติมากเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าบางทีถ้าประชานิยมประชาธิปไตยอย่างเดียวนี้ไม่พอที่จะการันตีความมั่นคงของบ้านเมืองอย่างยาบ้านเนี่ยถ้าผิดแต่ต่อไปเรามาโหวตนะให้ขายได้อย่างเสรีนถ้าคนช่วยกันโหวตเยอะๆผิดก็จะเป็นถูกนี่คือข้อบิกพ่องของประชาธิปไตยในหลวงก็ไม่ทำในหลวงทรงทรําตามธรรมมาธิปไตย ถูกต้องถูกธรรมแล้วก็ถูกทางถูกต้องก็คือยุติธรรมถูกธรรมก็คือถูกธรรมะในพระพุทธศาสนาหรือธรรมะที่นักปราชญ์ราชบัณฑิตเห็นดีเห็นงามถูกธรรมก็คือถูกธรรมเนียมราชนิติทั้งหลายอะไรก็ตามที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องไม่ถูกทางไม่ถูกธรรมพระองค์ท่านก็ไม่ทาเพราะเหตุที่ทรงรักษาความเป็นกลางอย่างนี้ ทุกสภาวะการของบ้านเมืองเนี่ยจึงสามารถครองราชครองใจแล้วก็ครองไทยอย่างร่มเย็นเป็นสุกมากว่าหกสิบปีเราท่านทั้งหลายอยู่ใต้ร่มพระบรมรมหาราชธรรของพระองค์บอกว่ารักในหลวงฟังปธาธกถาธรรมวันนี้แล้วลองไปถามตัวเองซิว่าธรรมะในหลวงมีตั้ง1ิบข้อเราจะเชิญมาประดับตัวเองได้ไหม ถ้าเราทําได้ตรงนั้นแหะคือการรักในหลวงเชิงเนื้อหาที่แท้จริงจําคําของพระพุทธเจ้าไว้ถ้าใครรักฉันทําตามคําสอนของฉันประยุกต์หมายว่าถ้าใครรักในหลวงทําตามคําสอนของพระองค์ท่านทําได้อย่างนี้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นการถวายสักการะบูชาแก่พ่อที่ประเสริฐเลิศล้าที่สุดของเราในมงคลแลโอกาสที่ปีนี้พระองค์ท่านจะทรงครองสิริราชสมบัติเข้าปีที่ หกอดใช่ไหมแล้วก็จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ80พระพรรษาใครที่มีโครงการในหัวใจอยากจะทำอะไรถวายพระองค์ท่านอาตมาขอแนะนำสั้นๆว่าให้ปฏิบัติบูบชาบูชาพระคุณบูชาพระองค์ท่านด้วยการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาสสิ่งนั้นแหละคือการบูชาที่สูงที่สุดที่ประเสริฐเลิศล้าที่สุดที่พระพุทธองค์่งยกย่อง ดังนั้นเราจะภาพเชื่อมั่นว่าที่พูดมาทั้งหมดในวันนี้จะเป็นแนวทางจะเป็นขีดที่ชีวิตให้เราท่านทั้งหลาย น, นาไปปรับประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะเรียนรู้ร่วมกันว่าเพราะอะไรคนไทยจึงรักในหลวงวันนี้เชื่อมั่นมาทุกท่านคงได้คําตอบแล้วและเมื่อได้คําตอบแล้วให้ถามต่อไปว่าแล้วทํำยังไงฉันจะเป็นคนไทยที่น่ารักของในหลวง